ดังนี้สังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะพ้นจากกิเลสเป็นเหตุให้ตกไปกล่าวคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก6นั้นคือปกตินี่นะครับกิเลสเนี่ยนะผูกตาไว้กับรูปนะผูกหูไว้กับเสียงผูกจมูกไว้กับกลิ่นผูกลิ้นไว้กับรสผูกกายกับโภตาภะผูกใจกับธรรมารมณ์เนี่ยนะครับกิเลสเนี่ยนะเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรัดเอาไว้กับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าปาติโมก็คือเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลส ท, ที่ผูกมัดรัดร้อยเอาไว้เหล่านี้นั่นเองขออภัยครับคําว่าโลกทําการชมเชยในอยตนะหกเนี่ยน้องช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงครับก็เชยชมในรูปไงครับอะ น, นะโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะเชยชิดเชยชิดกับอะไรก็กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโภตพภะและธรรมารมณทั้งหลาย อันนี้นะถ้าจะเชยชิดเนี่ยนะหรือจะชิดชมชื่นชมเนี่ยชมอะไรครับก็ชมสีชมเสียงชมกลิ่นชมรสและโพธาภธรรมรมณ์นั่นแหละครับก็เชยชิดชื่นชมอยู่แค่นี้แหละครับแต่ถ้าว่าที่โลกโลกจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละครับนะตาก็ต้องสลายไปหรือตาเลยชื่อว่าโลกใช่ไหมครับหูจมูกลิ้นกายและใจก็สลายไปแต่ว่าเอ๊ะทาไมไม่สลายสักทีหนึ่งสลายได้ยังไงผูกต่อไว้เรื่อยนะครับ ไอ้ของเก่าก็สลายแล้ะแต่ว่าเหตุใหม่สร้างตลอดนะครับมันก็สัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุและผลสืบเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นขณะที่มีตาหูจมูกเล่นกายใจนั่นแหละครับโลกก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีตาก็าไวอะไรครับเพื่อเพื่อจะดูสีมีหูก็เพื่อที่จะฟังเสียงเป็นต้นนะนะก็เชยชิดในสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับลองเมื่อไหร่ลองหูจะอื้อทีหนึง่งตกใจเลยนะครับจะไม่ได้เชยชิดในเสียงละ ถ้าตามีปัญหาจะไม่ได้เชยชิดกระสีแล้วนะครับถ้าจมูกเป็นหวัดไม่ได้เชยชิดกระกลิ่นอีกแล้วนะครับถ้าลิ้นมีปัญหากับข้าวหมดอร่อยเลยอย่างนั้นนะเป็นอามาเพิ่งเอมาพาดกับห่วงหาอะไรนะครับแม่อยากจะเชยชิดอีกนะครับอ่นะอีกอย่างหนึ่งสภาวะชื่อว่าปาติเพราะอัตถาว่ามีการตกไปคือให้ถึงความเสื่อมได้แก่สังสารนะปาตินี่หมายถึงสงสารนะนะ ไอ้คำว่าปาติโมขสังวเนี่ยนะครับเพราะพ้นจากสงสารนั้นนะครับทำให้พ้นจากสังสารวัตรนะครับสังสารวัตเนี่ยนะครับตกไปสู่ความเสื <sal> ่อมใช่ไหมครับขันเนี่ยตกไปสู่ความเสื่อมธาตุอายตนะแต่ละอย่างก็ตกไปสู่ความเสื่อมทีนี้ปาติโมขสังวศีนี่นะครับทำให้พ้นไปจากความเสื่อมคือขันธาตุอายตนะเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นอะไรครับถ้ามีศีนดีก็ขันธาตุอายตนะแบบนรกก็ปิด ขันธาริยตนะแบบเบราชานขันธาริยตนะแบบเปรตทั้งหลายก็ไม่มีนะครับถ้ามีปาติโมคขสังบรอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำมิสอนชาวโลกขนานนามว่าบดีบดีเพราะความเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าโลกทั้งปวงภิกษุย่อมหลุดพ้นด้วยอุบายนั้นเพราะเหตุนั้นอุบายนั้นจึงชื่อว่าโมฆะอุบายเป็นเครื่องหลุดพ้นของผู้ที่เป็นบดี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปฏิโมกปฏิโมกนั่นแหละก็คือปาติโมกนะครับคือหมายคําว่าบดีเนี่ยนะบดีนี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับอุบายเรียกว่าโมกข์คืออุบายของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติตามอุบายของพระพุทธเจ้าก็พ้นจากอบายทุกนะครับพ้นจากอบายทุกขทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น อ น, นะอุบายอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็เลยชื่อว่าปาติโมกนะครับ น, นะเพราะฉะนั้นถ้าจะพระพุทธปฏิบัติก็ให้ระลึกนึกถึงคุณของพระองค์นะครับพระมหากรุณานะครับที่แสดงปาติโมกเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นบดีเพราะอัตถาว่าสูงสุดโดยความเป็นรากเง่าแห่งคุณทั้งปวงชื่อว่าโมก ค, คะ่ะเพราะอัตถาว่าเป็นไปตามที่กล่าวแล้วด้วยด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกนะครับคืออุบายอนนะ ปฏิโมกนั่นเองเชื่อว่าปาติโมกสมดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าคําว่าปาติโมกนี้เป็นหัวหน้าคําว่าปาติโมกนี้เป็นประธานนะครับเป็นหัวหน้าเป็นประธานของศีลทั้งหมดนะครับอันนั้นก็เป็นอุบายนะครับของพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะนําให้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประธานนะเป็นเบื้องต้นนะอันหนึ่งปะศัพท์ลงในอัตว่าปการะนะครับปะบวกอติอตินี้เป็นนิบณิบัต ใช้ในออาจว่าส่วนเกินเพราะฉะนั้นสังวรชื่อว่าปาติโมกผู้อถาว่ายังสัตว์ให้พ้นจากให้พ้นเกินส่วนนะนะไม่ใช่ส่วนเกิ น, นครับคือเกินส่วนนะนะ <mm เพราะฉะนั้นคําว่าปาปติโมกเนี่ยนะครับผู้อถาว่ายังสัตว์ให้พ้นเกินส่วนโดยประการทั้งหลายก็ศีล น, นี้ตัวเองเนี่ยนะครับโดยลําพังของศีลเนี่ยนะครับตัวเองพร้อมกับสมาธิเป็นไปพร้อมกับปัญญานะครับ โดยต่ทางค่ชื่อว่าปาติโมกนั้นนะ่ะยังสัตว์ให้พ้นคือหลุดพ้นเกินส่วนด้วยสา ม, มารถวิขำพนะปะหารและสมุดเฉทัพปะหารคืออย่างนี้นะครับว่าโดยลำพังนะครับศีลเนี่ยเป็นตทางค่าปะหารใช่ไหมครับสมาธิเป็นวิขำพนะปะหารปัญญานี่นะครับถ้าระดับโลกุตระก็เป็นสมุดเฉทัพปะหารอาศัยศีลสมาธิและปัญญาทั้ง3ามอย่างนี่นะครับ ประมวลการประชุมกันก็ทํากิจทําสมุ ท, ทรเชตพทหารเพราะฉะนั้นศีลนั่นแหละชื่อว่าปาติโมกนะถ้าหากว่าไม่มีศีล น, นี้นะครับสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะครับที่จะบริบูรณ์สามารถทํากิจตถาานะหรือว่าละกิสังกิเลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฐานคือปาติโมกเนี่ยสำคัญที่สุด อีกอย่างหนึ่งสังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะอถาว่าหลุดพ้นเฉพาะหลุดพ้นเฉพาะอธิบายว่าพ้นเฉพาะคือเป็นส่วนส่วนจากโทษที่จะพึงล่วงละเมิดนั้นๆนะสิกขาบทแต่ละสิกขาบทก็จะให้พ้นเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนใช่ไหมครับ巴拉เชกเสีก็ให้พ้นจากแต่ละส่วนแต่ละส่วนสังคาติเศษเป็นต้นเนี่ยนะครับสังวรชื่อว่าปฏิโมกเพราะอถาว่าเป็นเครื่องพ้นเฉพาะเหมือนรูปเปรียบแห่งโมกขะนั้นนะครับคือมันทําให้พ้นนั่นเอง อธิบายว่าปาติโมกขสังวรศีนย่อมเป็นเหมือนอาทิตยามรุ่งอรุณพระอาทิตยามรุ่งอรุณนะช่วงเช้าเหมือนเลยนะครับพระธรรมธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยโมกขธรรมนั้นอันเป็นแดนอุทัยแห่งพระนิพพานเพราะยังกิเลสให้ดับตามสมควรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปฏิโมกปฏิโมกนั่นแหละชื่อว่าปาติโมกนะครับนะคือ ศีลเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับส่วนเปรียบด้วยนิพพานนะครับเพราะว่าขณะที่ศีลเกิดเ น, นี่ยมันก็เริ่มละสังกิเลตทั้งหลายลําดับโดยลําดับโดยลําดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พระนิพพานเนี่ยนะครับที่จริงแล้วตัวนิพพานเนี่ยเป็นตัวที่พ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหมดเนี่ยนะครับศีลเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเหมือนนิพพานก็ได้เพราะเริ่มพ้นจากสังกิเลตทั้งหลายแล้วนะครับพแล้วก็ศีลเนี่ยนะครับเป็นเหตุที่ทําให้ตรัสรู้พระนิพพานอย่างจริงๆนะครับ อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปฏิโมกเพราะอาธาวา่าดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นคือมุ่งหน้าสู่พระนิพพานนะครับเนะพราะอะไรครับศีลวิสุทธินี่นะครับเป็นเหมือนกับรถผลัดแรกแลวใช่ไหมครับมุ่งไปหารถผลัดที่2 3 4ส6 7ี่รถผลัดที่7จนะครับจึงจักแทงตลอดพระนิพพานเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทเพื่อสู่พระนิพพานก็คือศีลนะครับศีลนะจึงดาเนินไปสู่พระนิพพาน ปาติโมกนั่นเองชื่อว่าปาติโมกนะที่การนี้เพิ่งทราบความแห่งศัพท์ว่าปาติโมกเท่าที่พันณ น, นามานิกร์ น, นะครับ น, นะควรเข้าใจไว้นะว่าโอ้โหปาติโมกนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคําว่าปาติโมกโอ้โหมีอักทะไายอักนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็หนึ่งนะครับทําให้พ้นจากอบายทุคติวินิบาดนารกทั้งหลายนั่นเองนะครับให้พ้นจากวัฏทุกสองนะครับปาติโมกนั้นเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงขึ้น 3. เป็นประตูสู่พระนิพพานนะครับเป็นทางไปสู่พระนิพพานก็ได้นะครับถ้าจะผมสรุปเองนะครับอันนี้ที่บายคำว่าสังวรนะครับกุศลธรรมชื่อว่าสังวรด้วยอัตถาว่าเป็นเครื่องระวังคือปิดกั้นไว้สังวรคือพระปาติโมกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกค่ะสังวรนะครับสังวรคือกุศลเหล่านี้เนี่นะครับปิดกั้นระวังนะครับปิดกั้นระวังไว้ แต่โดยอัถะได้แก่เจตนาเครื่องงดเว้นจากโทษที่จะพึงก้าวล่วงบาปประทับนั้นนั้นถามว่าปาติโมกองค์ทำได้แก่อะไรได้แก่เจตนานั่นเองครับเจตนาที่ไม่ทําให้ก้าวล่วงโทษทั้งหลายนั้นนน่ะเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะครับที่ที่พาไปสู่สุคติทั้งหลายลเรนี่นะครับภิกษุผู้เข้าถึงคือประกอบด้วยปาติโมกขสังวร น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเรียกว่า ปาติโมกขสังวระสังวุโตผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาติโมกสมดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคำภีวิพังนะครับว่าวิพังนี้หมายถึงชาณวิพังนะครับว่าภิกษุย่อมเป็นผู้เข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปใกล้แล้วเข้าไปใกล้พร้อมแล้วถึงพร้อมแล้วประกอบแล้วด้วยปาติโมกขสังว ร, รนี้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปาติโมกขสังวระสังวุโต บทว่าวิหารติความว่าย่อมอยู่คือผลัดเปลี่ยนได้แก่เป็นไปอยู่โดยการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถนะครับผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปตามพระปาติโมกนะครับโดยที่ไม่ละเมิดปาติโมกเลยนะครับในเวลายืเนเดินนั่งและนอนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสับเปลี่ยนอิริยาบถยังไงโดยที่ไม่ผิดศีล น, นะครับบทว่าอาจระโคจระสมปันโนความว่าพิสูจชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรนะครับ ในชั้นต้นก็ต้องเว้นอะโคจร6นะครับมีหญิงแพทย์สยาเป็นต้นนะครับหญิงแพทย์สยาร้านสุรานะครับสาวเถื่อเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องเว้นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถ้าไม่เว้นเนี่ยก็แย่นะครับเพราะสมบูรณ์ด้วยอาจาระสมบัติอันสมควรแก่ภิกษุนะครับแต่ก็ต้องมีมรญญาตของภิกษุนะครับสมดังที่ตรัสไว้ว่าความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจานี่นะครับเรียกว่าอาจาระ เพราะเว้นจากอนาจารโดยประการทั้งปวงอนาจารเช่นโดยการไม่กระทํามิจฉาอาชีวะมีการให้ไม้ไผ่เป็นต้นนะครับให้ไม้ไผ่ให้สบู่ยาสีฟันเป็นต้นเนี่ยนะครับให้เพื่อประจบประแจงคาราวะทั้งหลายเอาลาบไปต่อลาบนะครับพวกนี้เรียกว่าอเนสนากรรมทําตัวเป็นหมูเป็นหมอนี่นะครับและการขนองทั้งหลายมีการขนองกายเป็นต้นนะครับขนองกายขนองวาจาขนองใจนะครับนะดูใน วิสุทธิมักเนี่ยนะครับขยายค่อนข้างละเอียดนะครับและด้วยโครจรกล่าวคือสถานที่อันสมควรเพื่อจะเข้าไปเพื่อที่จะบินทบาทนะครับเข้าไปเพื่อประโยชน์แก่การบินทบาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่บินทบาทเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกดูหน่อยนะครับถ้าหากว่าไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักระแวงระวังก็ลําบากเหมือนกันนะถ้าไปอ่านพระสุนทรส ม, มุดแล้วจะได้รู้ดีนะครับโอ้โหเกิดสุดใหญ่เลยนะครับดีพระสุนทรชนะนะครับพระสุนทรส ม, มุดชนะ เชื่อไหมครับองที่เหลือเนี่ยโดยมากปาราชิกเรียบหมดเลยนะครับพระสุนทรสมุทรกับพระอนุรุธทธาเนี่ยชนะสงครามอย่างนั้นนะนะที่เหลือก็คอรุดคอเรื่องหมดนะครับและมีอีกที่หนึ่งคือลีลาวดีนะในเรื่องลีลาวดีพระเลวตานะก็พน้นอันนี้ น, นิยายแต่งขึ้นมานะเพื่อให้เห็นถึงความใจเด็ดของพระภิกษุทั้งหลายบอกว่าปล่อยค้าอาตมานะว่ากัน้นอีกอย่างหนึ่งนะครับภิกษุใดมีความเคารพ มีความยำเกรงในภาษาสดามีความเคารพมีความยำเกรงในเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายถึงพร้อมด้วยหฮรรและโอต ป, ปะนุ่งห่มเป็นปริมณฑลท่อตาลงต่ำสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถมีทวานอันคุ้มครองแล้วในอินทรีทั้งหลายมีการก้าวไป ด้วยการถอยกลับด้วยการเลี้ยวซ้ายด้วยการแลขวาด้วยการเหยียดเข้าด้วยการเหยียดออกที่หน้าเลื่อมใสายรูปนี้หน้าเลื่อมสายจริงๆเนาะทั้งอะไรครับเคารพยําเกรงในพระพุทธแล้วก็ในเพื่อนสระพรหมจันทร์นะครับมีหิริโอตะปะการนุ่งการหอมก็เรียบร้อยอิริยาบถกิริยามารยาทนะครับเรื่องการยืนเดินเป็นต้นก็หน้าเลื่อมสายรู้ประมาณในการบริโภคนะครับ คำว่าโภชเนมะตันยุตาก็คือรู้ประมาณในการรับในการสแสวงหาในการบริโภคนะตามประกอบความเพียรประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีความปรารถนาน้อยนะครับมักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีนะครับแล้วก็ทำความโดยเคารพในอภิสมาจาริกวัตรนะครับประพฤติอจารยวัตรอุปชัยวัตรเป็นต้นอย่างสมบูรณ์นะครับมากไปด้วยความเคารพยำเกรงที่สูนี้เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระนะครับ ภิกษุที่สมบูรณ์มาตรฐานจริงๆก็มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับครับเอามาตรฐานขอโอาสครับเอาา่ อ, อ, อให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของการคุ้มครองในทวาร น, นะคุ้มครองทวารในอินทรีย์นะครับก็คือตาไม่เหมือนตาลิง<อ>นั่นเองนะครับตาก็ไม่ล็อกเล็กทั้งหลายเลยนะครับลักษณะนั้นนะคือคือเราสังเกตดูนะครับถ้าเห็นพระภิกษุเข้าไปในเมืองเนี่ยนะครับถ้าไปเดินเหมือนกับคนบ้านนอกเข้าเมืองนี่จะเป็นยังไงครับ เดินดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังเนี่ยนะครับลักษณะนั้นแนหะเขาเรียกว่าไม่สัมรวมนะไอ้ที่ไม่สัมรวมจริงๆนะจนมีเสียขียวัดใช่ไหมครับเพื่อนศึกษาว่านะครับเราจาับก้มลงต่ำนะครับเวลาเข้าไปในละแวกบ้านเนี่ยนะครับจักสัมรวมด้วยดีไปในละแวกบ้านนะครับเช่นมองชั่วแอกเป็นต้นเนี่ยนะมาใชา่โหไปมองดูโน่นดูนี่แล้วก็ถ้าเป็นภาคพิสูจน์นะครับเดินไม่สัมรวมแนละ้วตกท่อน้านําเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโหเสียหายมากนะ เพราะฉะนั้นคำว่าไม่สํารวมมันั้นแบบหยาบๆ น, นะหรือก็ตาไม่เหมือนกับตาลิงนั่งสัตว์สายไปเรื่อยเลี้ยวไส้แลขวาลอกแลกทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสํารวมหรือไม่สัมรวมก็สังเกตดูได้จากตาเหมือนกันนะครับตาของผู้ที่ไม่ค่อยสงบนะครับตาเนี่ยไม่ค่อยนิ่งนะนะเรียกว่าคนที่ใจไม่ค่อยสงบนะครับเพราะว่าแม้แต่หลับนะครับตาก็ยังกลิ้งกรอกนะโดยปกตินะครับแม้แต่หลับอยู่นะแม้แต่หลับหรือฝันเนี่ยนะครับก็ดูได้จากตาเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ตลอดนะครับแสดงว่า จิตแต่รูปเนี่ยปิดบังไม่ค่อยได้นะครับที่ตาันแต่ในสำคัญที่สุดนะครับก็คือการสรํารวมนะครับที่แต่ก็ไม่ใช่มาทำครึมดูอย่างเดียวแล้วก็ให้เขาเลื่อมใสก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกนะครับแต่หมายเขาว่าพอเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาธรรมะไปนะครับใครครวนศึกเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใคร่ครวนมาพิจารณานั่นเองนะครับใ ห, ให้จิตเป็นไปกับภูศนนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ตั้งความป่าทะนารามกนํะือฉันทําอย่างนี้นะไปที่ไหนเนี่ยโยมต้องหันลืมตาดูเลยแหลมหน้าเลื่อมสายหน้าดูเลยนะครับเขาจะได้เลื่อมสายนะนะครับต้องเลี้ยวตามเลยนะถ้าลักษณะนี้ก็ไม่พ้นจากกามอีกนั่นแหละครับก็อยากได้คําชมนั่นแหละที่ทําเนี่ยนะเพื่อเสียงนะครับทําเพื่อเสียงเพื่อสีทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตั้งจิตไว้ไม่ดีนะครับ แต่ก็ให้มุ่งเคารพพระัตนตรายนะครับเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามนะครับ mm hmm. ก็โคจรนี่มี3อย่างนะครับที่เทอมี3อย่างนะครับเอาแบบดีๆนะหมายถึงว่าอุปนิสัยโคจรอารักขาโคจรอุปนิพันธาโคจรในโคจร3อย่างนั้นนะครับกาลยานามิตรผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือกถาวัตถุสิบมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว กัลยาณมิตรนี้มีองค์องค์ประกอบคืออะไรบ้างครับ น, นะจำได้นะมีแปดอย่างแปดอย่างนั้นก็จำง่ายๆก็คือศีลสุตะจาคะนะครับศีลสุตตะจาคะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับผู้ที่มีคุณธรรมทั้ง8ประการเรียกว่าองค์คุณของกัลยาณมิตรแล้วกัลยาณมิตรนั้นก็ยังมีความสามารถในการกล่าวคาถาวัตถุสิบอีกคือนะครับ คาถาว่าด้วยการมักน้อยสันโดษการไม่คลุกคลีการปราลบความเพียรศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตมติยาณทัทสนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรนี่นะครับที่มีคุณธรรมอย่างนี้นะครับอาศัยภิสูจใดคือหมายความว่าเรานี่เข้าไปอาศัยท่านเนี่ยนะครับอาศัยภิสูจใด ย, ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทําข้อที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งบรรเทาความสงสัยเสียได้กระทําความเห็นให้ตรง ยังจิตให้เลื่อมใสเรียกว่าอ si ุปนิสัยโคจรนะครับหมายคาอว่าเข้าไปอาศัยท่านนะครับเข้าไปอาศัยท่านเนี่ยนะครับก็จะได้อย่างน้อยที่สุดได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังที่ฟังแล้วก็แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไความสงสัยก็บันเทาลงไปความเห็นก็ตรงขึ้นตรงขึ้นจิตก็เลื่อมใสในคุณของพระัตนตรัยมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าอ si ุปนิสัยโคจรนะเข้าไปเอาอุปนิสัยท่านมาเหมือนกันนะ uh uh. อุปนิสัยเนี่ยครับเป็นที่อาศัยที่มีกําลังนะครับ เข้าไปท่องเที่ยวใกล้ท่านนะ่ะคำว่าโคจรก็คืออารมณ์อารมณ์ที่เข้าไปแล้วได้อุปนิสัยที่มีกำลังมากนะครับในการเจริญในพระศาสนาจะเจริญหรือไม่เจริญนะครับคนประเภท ส, สังขาริกต้องหาการยานามิตรแบบนี้นะครับเว้นไว้แต่อสังขาริกที่ค่อนข้างถือทำเป็นประมาณจริงๆนะครับจึงจะอยู่ได้แต่ถ้าธรรมดาจริงๆก็ต้องสแสวงหานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็เมื่อติดตามศึกษา ภิกษุใดอยู่ย่อมเจริญด้วยศรัทธาย่อมเจริญด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะคด้วยปัญญาภิกษุนี้นั้นก็ชื่อว่าอุปนิสัยโคจรนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภิกษุใดเนี่ยนะครับเช่นคารวาทั้งหลายเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับภิกษุใดแล้วเจริญด้วยศรัทธาศรัทธานี่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับเจริญด้วยศีลนะครับเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยจาคะคหรือเจริญด้วยปัญญาอันนี้ก็เป็นที่อาศัยได้นะครับเข้าไปอาศัยได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะโครจรเข้าไปหาที่อาศัยก็ควรหาผู้ที่มีคุณธรรมตามลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้ภิกษูดเข้าไปาเข้าไปในละแวกบ้านเดินไปสู่ถนนทอดตาลงต่ำมองดูชั่วแอกสารวมแล้วเดินไปไม่มองดูช้างไม่มองดูมา้าไม่มองดูรถไม่มองดูคนเดินเท้าไม่มองดูสตรีไม่มองดูบุรุษไม่เพ่งดูทิดน้อยทิดใหญ่พิสูจนนี้ชื่อว่าอารักโครจร น, นะครับ คือสัมรวมตามมองให้พอเหมาะพอสมนะครับทำ ม, มองไม่ดีนี่อันตรายเยอะนะครับทุกวันเนี่ยนะกลับวัดเป็นสังฆาธิเศธนะครับเพราะว่าภาพทั้งหลายที่ติดอยู่ข้างฝาบ้านเป็นต้นนี่นะครับไม่ได้เกื้อกูลต่อการรักษาศีลอะไรเลยนะครับอันภาพในยุคนี้เนี่ยอันตรายกว่ายุคสมัยก่อนหลาย10เท่านักนะครับเพราะฉะนั้นนะเข้าไปบินทบาทแต่ละครั้งหรือว่าเข้าไปในละแวกบ้านแต่ละทีเนี่ยไม่ต่างจาก เข้าสู่สนามรบนะครับไม่รู้ว่าจะรอดตัวกลับมาหรือเปล่านะครับเกิดไปเห็นติง้งบางอย่างเข้ามานะครับโลภะได้ช่องเลยนะครับเสียหายแล้วนะตกจากพระศาสนาเลยนะครับเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวเลยแย่เลยส่วนอุปนิพันธ์ทาโคจรได้แก่สติปฐานสี่อันเป็นที่ซึ่งภิกษุเข้าไปผูกพันจิตของตนเอาไว้นะครับ สมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าก็อารมณ์อันเป็นบิดาของตนอันเป็นโคจรของพิสุขคืออะไรคือสติปัฏฐานสดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานนี่นะครับชื่อว่าอุปนิพันธะควรเข้าไปผูกจิตเอาไว้นะครับถ้าจะผูกจิตไว้ก็ผูกจิตกับกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นทางเดินของบิดา ซึ่งเป็นทางเดินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่าลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะละนิวรห้ามีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่อบรมโพธชงเจ็นะครับตรัสรู้อริยสัจสี่นั่นนะครับชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังนั้นภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยอาจารยและโคจรเพราะประกอบด้วยอาจารยสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วและโคจรสมบัตินี้ บทว่าอนุมัตเตสุวชเชสุพยทศาาวีความว่ามีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายต่างด้วยอากุศลจิตตุ บ, บาทในเสคียวัตที่ต้องแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นต้นมีประมาณน้อยคือมีประมาณเท่าอนุนะครับแม้แต่จิตที่ที่จะละเมิดเสคียวัตเนี่ยนะครับถึงไม่ได้ตั้งใจะนะจิตประเภทนั้นก็ที่มันเล็กๆ ก, ก็ให้มันเห็นใหญ่โตว่างั้นอธิบายว่า ภิกษุใดเห็นโทษมีประมาณเท่าปรมาณูเนี่ยนะครับก็ทําให้ใหญ่เหมือนขุนเขาซินเนรุราชที่สูงถึงหกสิบแปดแสนโยชนก็ดีนะครับมองเห็นไอ้จิตที่จะละเมิดเสกียวัตเนี่ยนะครับจิตชนิดนั้นเนี่ยให้มองเห็นเท่ากับภูเขาซินเนรุราชสูงเก้าล้านแปดแสนโยต์นะครับหกล้านแปดแสนโยต์ให้มันเห็นแบบนั้นหูหยาบเหลือเกิ น, นเหมือนน่ยนะ ภิกษุใดเห็นอบัตเพียงทุพภาสิท์มีโทษเบากว่าอาบัตทั้งปวงทำให้หนักเหมือนอบัตปาราชิกก็ดีนะครับภิกษุนี้ชื่อว่ามีปกติเห็นไทยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยเช่นพูดแซลเล่นนะครับโอยสูงเหมือนเสาไฟฟ้าต่ำเหมือนกับ นะดำเหมือนกับตอตะโกเป็นต้นเนี่ยนะครับไปแซลกระทบผิวพันธ์กระทบรูปร่างกระทบหน้าตากระทบศิลปะวิทยาฐานะความรู้าการพูดกระทบทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับพูดแซลพูดกระทบใครเล่นๆอ่ะนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าอาบัติทุปพาสิตนะครับแปลว่าคําชั่วทั้งหลายแหละเนี่นะครับมีโทษเป็นอบัติที่ต่ากว่าที่สุดนะครับนะเห็นอะไรก็พูดเปรียบเลยนะครับเช่นพูดกระทบหน้าตาผิวพันธ์กระทบอ่ะนะ วิทยาฐานะความรู้พูดกระทบะชาติตระกูลพูดกระทบโคตพูดกระทบคาําด่าเป็นต้นนะครับพวกนี้นะครับเป็นอบัตทุพาษิตนะพูดประสงค์จะล้อเล่นนะครับนะก็มองเห็นว่าโอ้โหไอ้คำพูดคําจาเหล่านี้พอๆกับปาราชิกเหมือนกันเนละบทว่าสมาธายะสิคติศิกขาประเดศความว่า ในบรรดาศิขาบททั้งหลายศิขาบทอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องศึกษาสมาทานศิขาบทนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือครบถ้วนโดยประการทั้งปวงได้แก่ไม่ให้เหลือแล้วศึกษาคือบำเพ็ญให้เป็นไปนะครับเอาหมดเลยนะถ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาทานเอาหมดเลยนะขอเป็นบุตรผู้รับมรดกธรรมนี้ทั้งหมดอ่างนั้นนะนะบดว่าอิติกลยานศะีโล ความว่าเป็นผู้มีศีลอันงามด้วยประการดังนี้นะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี่นะครับจึงจะเรียกว่าคนมีศีลงามอธิบายว่าศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วยสา ม, มารถแห่งปุขลาทิ่ฐานแล้วทรงย้ำด้วยสา ม, มารถแห่งปุขลาทิ่ฐานที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีศีลอันงามด้วยประการอย่างนี้แลนั่นเอง อันพระองค์ตรัสไว้ว่าอิติกรารยาณสีโลเป็นผู้มีศีลงามด้วยประการชนิดดังนี้อีกเพื่อจะแสดงว่าศีลนี้เป็นที่ตั้งแห่งธรรมเหล่านั้นนะครับโดยมีพระประสงค์จะแสดงธรรมะที่ตรัสไว้แล้วในบทว่ากรารยานธรรมโม คือจะต้องมีคุณธรรมคือศีลลักษณะนี้นะครับจึงจะรองรับโพธิปัจจัยธรรมชั้นสูงได้นะครับถ้าไม่มีศีลในลักษณะที่ว่าโพธิปัจจัยธรรมคือสติปัฏฐานสมปะปัฏฐานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องศีลระดับนี้จึงจะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้บททั้งปวงมียที่ว่าสัตตันนังโพธิปัจจายนัง มีเนื้อความดังกล่าวแล้วในหนหลังนะครับสติประฐานเป็นต้นก็อธิบายไปแล้วคำว่ากาลยานศีโลเป็นต้นเป็นคำตรัสย้ำอีกนะครับศีลงามและก็ธรรมงามนะครับเึงทราบวินิจใช้ในคาถาต่อไปในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุใดไม่มีการทำชั่วด้วยกายวาจาใจพระริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้มีศีินนะั่นแลวว่าผู้มีศีลงาม ภิกษุใดเจริญดีแล้วซึ่งธรรมะทั้งหลายอันให้ถึงอริยมรรคญาณคือโพธิปัจขยธรรมนี่นะครับเป็นเครื่องตรัสรูด้ดีที่ตนได้บรรลุแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นนั่นแลวว่าผู้มีธรรมะอันงามภิกษุใดรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนในอัตภาพนี้แลพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น กล่าวภิกษุผู้ไม่มีอาสะวะสมบูรณ์ด้วยธรรมะเหล่านั้นผู้ไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้แล้วไม่อายัยละกิเลสทั้งหมดในโลกทั้งปวงนั่นแลว่าผู้มีปัญญ า, งงามานะครับอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าดุ ก, กตังนี่นะครับกระทาแล้วชั่วอธิบายว่าได้แก่ทุจริตนะครับฮิริมานังก็คือมีความละอายหมายถึงว่าถึงพร้อมด้วย ทุหิรินะครับอธิบายว่าได้แก่สภาวะที่รังเกียจความประพฤติชั่วโดยประการทั้งปวงบทว่าหิริมานังได้แก่จิตที่ประกอบด้วยหิริก็ในอธิการนี้พึงทราบว่าทรงถือเอาแม้โอตต ป, ปะไว้ด้วยศัพท์ว่าหิริแล้วทีเดียวคือหิริโอตต ป, ปะเนี่นะครับเป็นธรรมคู่กันนะครับเป็นโลกกปารธรรมนะครับเป็นธรรมที่คุ้มครองรักษาโลกนี่นะครับที่ไหนพูดหิริ ก็โอตะ ป, ปะก็เท่ากับพูดแล้วที่ไหนพูดโอตะ ป, ปะที่นั่นหิริก็พูดแล้วเหมือนกับพระหูปการกะธรรมนะครับธรรมที่มีอุปการะมากได้แก่สติกับสัมปชัญญะนะครับที่ไหนถ้าไม่มีคําว่าสัมปชัญญะเลยพูดแต่สติที่นั่นคอยรู้เถ่าว่ามีสัมปชัญญะแล้วหรือที่ไหนพูดเฉพาะแต่คําว่าสัมปชัญญะที่นั่นก็เท่ากับพูดคําว่าสติแล้วนะครับก็พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงแสดงเหตุแห่งความเป็นผู้ทูตเจริตโดยประการทั้งปวงด้วยสาบว่าฮิริโอตาปะชื่อว่าย่อมทรงยังความเป็นผู้มีศีลอันงามให้แจ่มแจ้งโดยเหตุนะครับคือเหตุแห่งความเป็นผู้ไม่ทูตเจริญนะครับก็ต้องอาศัยฮิริและโอตาปะนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่มีฮิริโอตาปะอย่างไรเสียเขาจะเว้นจากความชั่วทางกายและวาจานั้น คงทําได้ยากนะครับเพราะว่าฮิริโอตาปะนี่นะครับเป็นเหตุใกล้แห่งศีลจริงๆเลยนะครับที่เหมือนถามว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ของผ้าจาได้ก็เส้นได้นะครับเป็นเหตุใกล้แห่งผ้าโรงงานทั้งหลายเป็นต้นเป็นเหตุไกลฮิริโอตาปะเป็นเหตุใกล้ของศีลการฟังธรรมเป็นต้นเป็นเหตุไกลนะครับเหตุไกลแต่ใกล้จริงๆคือฮิริและโอตาปะ ภิกษุชื่อว่าสัมโพทิคามิโนเพราะถึงคือประสบสัมโพธิญาณคืออริย ม, มักคยานอธิบายว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งโพธิคือเครื่องตรัสรู้บทว่าอนุสทงังความว่าเว้นจากกิเลสที่ฟูขึ้นมีราคะเป็นต้นนะครับ อธิบายว่าคำว่ามันประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญโพธิปัจจียธรรมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในการก่อนอย่างใดๆก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นเช่นนั้นบทว่าทุกขษ า, าได้แก่วัตทุกข์หรือเหตุแห่งวัฏทุกข์บทว่าอิเทวะขยะมัตโนความว่าย่อมรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปคือความไม่บังเกิดขึ้นแห่งชัดคือกิเลสอันเป็นเหตุแห่งวัฏทุกข์ของตน คือเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งสมุทยัยด้วยการบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะในอัตภาพนี้แหละคือในอัตภาพนี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นอัตโนนะครับขยมัตโนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือในชาตินี้นี่แหละนะครับสามารถที่จะทําให้แจ้งพระนิพพานได้ด้วยการบําเพ็ญโพธิปัจจียธรรมอีกอย่างหนึ่งย่อมรู้ซึ่งความสิ้นไปคือความหมดไปแห่งวัตทุก์นั่นแหละ ด้วยความดับแห่งเจริมะกัจิตในอัตภาพนี้ทีเดียวนะครับเจริมะกะจิตนี้เป็นจิตที่ใช้สําหรับผ้าอรหันต์ทั้งหลายหมายถึงจุติจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายจิตเหล่านี้ไม่เป็นอนันต ร, ประปัจจัยแห่งปฏิสนธิจิตใดๆอีกเลยบทว่าเตหิธรรมเมหิสัมปันนังความว่าประกอบแล้วด้วยธรรมะมีศีลตามที่กล่าวแล้วเป็นต้นเหล่านั้นบทว่าอาศิตังไม่อาศัยแล้วคือ ไม่เนื่องในอะไรอะไรเพราะละธรรมะเป็นเครื่องอาศัยคือตันหาและทิฏฐิได้แล้วก็เลยไม่ต้องอาศัยเลยนะครับบทว่าสรรพโลกะศาได้แก่ในสัตว์โลกทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็จบนะครับเรียกว่ากาลยาณสูตรนะว่านะสูตรดีสูตรงามสูตรไพเราะว่างั้นนะนะสูตรนี้แจ๋วนะครับถ้าประพุติปฏิบัติตามสูตรนี้ได้ก็พ้นจากวัตทุกข์อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เท่านี้